วันช้านะครับวช้าจกสิถาหลวที่สองแล้วได้ขึ้นสิขาหลวงพี่สามนะครับว่าหัวง้อมาพิจารนะอธิบายให้ฟัความ่องอะไนะครับก็มาดูที่นั่นสิขาหนึ่สามอธิบายเรื่องจากนิทาสิขาหวงนะประราชิพ่อที่สามเกี่ยการข่ามวนึงะครับนี่เข้าเรื่องก็จะเล่านิทานกมันอยให้ฟังก่อนนะ ว่ามาจากอนใครจะก็บางอย่างนั้นมาจากตรนก็ท่านเพลว่าสมัยนั้นคือว่าพระพเจ้าประทําอยู่ณกูตาการสารพันมหาวันเทพนพรเวสาลีครั้งนั้นทรงทรงแสดงอสุขคาถานานาคุณแห่งปฏิสุขธรรมฐาทรงแสดงเกิดคุณแห่งการเจริญอฏิสุขธรรมฐานทรงพนานาคุณแห่งิสุขธมาบะเมือ โดยเหตุกิริยาแก่ที่จุตขึ้นมาเมื่อคลองแดงนี้แล้วก็รับตามตามที่จิตขห้นมาว่าดูความรู้สึกขึ้นมาเราปัจฉานจะดิบของอยู่ตลอดุ่เดือนใครๆอยากเข้าปะหาเรานอกจากที่จุผู้นาจิตบาทเข้าไปให้รูปเดียวทิศตัวนั้นนครับรับพระดำรัแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปขว้ามัรฟาดห้าเลยนอกจากที่จิผู้นาจิตบาทเข้าไปขมายไว้รูเดียว ที like to to other, to to ่ส่วนนั้นก็มันส่งพนบที่ที่เราลงในสุภาพธรรานะครับพนาเพื่อสุภาพธรรมมันก็เนี่ยฟ้อนก็เลยพากันนะครับก็ตอบความคิดในการินสุภาพธรรมหลายอย่างหลายกระบวนการเมื่อฟังคำแล้วก็นำปฏิบัติมาปฏิบัติตัวได้ผลนะครับเขบอกว่าพิสูจเหล่านั้นอิปะนะอาเกียดร้า่กาของคน เพราะว่าคุณเราอพระธรรมสารีทิจนาตอนนี้พระอาจารย์าแบบวิปัสนาครับคือมีการร้องเข้ามาในตนไปดูร้างสเมีท่าศพขึ้นสิดขึ้นพองอะไรนะท่าศพขึ้นน้หนองหรือหันข้อนะในก็ร้องเข้ามาในตนนะครับว่าร้องเขามาเป็นอย่างนี้อะไรนะนี่เมื่อพิจณาไปใช่ไหมก่นเกิดความรู้สึกนะครับปัญญาก็แรกใช้เนทางจริ แต so kind of ่ว่าปัญญาไม่ไไปถึงที่สุดนะ่แต่ตัวโทสามเข้ามาแท่ก่นะีนพอถ้าป็ปัญญามันจะไม่อยู่อะไรไี่เหียดทางอะไรอาี้นะครับทีนี้นันก็ปุตตะละอาเก็บทางรัางกายขงตัวใหมากเลยนะ่งประมาณเหมือนกับสตรีรุ่นสาวรุ่นหนครับผู้พอใจในการแต่งกายอาบน้ำอาบาท้าแต็นแล้วก็มีคนเอาสีสันมีคนเอาห้าสองือครับ ถ้าบตันั่งหรือว่าทราบทรงรุ่นเนี่ยมาเขาคองเขาอุตตรในไงนล้ว่ิส่วนนี้เนีก็อุตรขนนัอครับเปนการเกลี่ยชร่างกายนะที่เเป็นปฏิปุราเกลี่ยขนานั้นเองครับก็เลยทำไงนะห้าเป็นตายครับไม่อยากใ้กายยึ้ตั้งอยู่สองปีนะแม้เพียงแต่วันเดียวพอรับประทานไปแล้วโอ้เนี่ยมันเล่ามันบอกขนาดนี้อย่างนั้เลยเล่าไม่ได้นะครับถ้าเว็นตายเลย หรือบาพวก็วางการและการให้ข้ากันครับผมรู้ใช่ไหมนะ้นธีสับากระนั้นมาการและการให้เห็นครับหรือก็บางเหล่าก็เข้าปาาัญหาครับเข้าปัญหาอนประด็นแก้ชื่ อ, อย่างนะแก้ชั่วมิตนกับสมัมณัติกลุ่มะครับตอนนี้เขาก็ที่มาว่าก็ได้แก่คนคนผอมไว้จบมุ่งฆ้าการถาว่ า, ข า, ขา เรื่องข้าเลาน้ำฝาเลาะขื่อหนึ่งผหขือหนึ่งทานองเป็นอาเศก็เข้าไปหาต่อาคันนี้แหละนะแล้วก็กล่าวว่าขอาคุณขอท่านได้กองิพย์พวกสันติมาจีวรนี้จาป็นของท่านแลวเมื่อในนี้ข้ามันในนี้ข้าในสมณังสุณนะปุิตรแจ้งวันไม่มาจีวรนี้แล้วก็เลยกองทิที่สุจะมากข่านะข้าไมได้ข้าได้ ก็มาทีวของข้าไปนะไปขาได้ครับแกก็เอมคนอยู่คนนิดนึงผมกก็่แล้วแลวก็พอแกข้ามที่สุดไปมากถึงแล้วแกก็ถือหนักนะที่เพื่อนเลือนนเลื่อที่สุเดินไปทางนันะก็คุ้มทางเพื่อจะเหนงเลนะัขณะที่มีการนี้แกจะเอาหนัที่เพื่อนเลืออยู่นะก็เกิดความเหลือร้อนใจขึ้นมานะว่าเม่ใช่หนาของเราหรอ ราของเราไม่มีหนอเราไม่ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอเราสร้างบารม้มากจริหนอพ่อเราได้กลงยึดพิสุขผู้หมายซึ่งเป็นผู้มีสีมีจริยธรรมไอเขาเดือด้อนใจอย่างนี้ขณะนั้นก็มีเทศเวลาความเหงาผู้นับนึงมันอยู่มาเป็นยุเวลาวิัาที่จิตยุเวลาไม่ดีครับแต่ก็มาไอเจ้ามาโผลน้ำนะครับพ่อเจริญมีพิสุขนะ โดยที่เล่ต์เขาไม่น้ำแตกเลยนี้และก็ได้กล่าวกับตาคนนี้ว่าดีแล้วดีแล้วท่านสมุนในลาภของท่านเนี่ยถ้าได่ดีแล้วท่านได้ค้ า, มา ส, าสมบูรณ์มากนะครับก็กล่าว่านี้นะพราท่านได้ช่วยส่งคนที่อย่างท่าให้พ้นให้ข่ามพ้นได้นะครับนี่อะไรตาคนนี้นะโยมตาคนนี้เท่าไพอได้ฟังแล้วนะครับก็เห็นจริงตานมโยมนามาบอกแล้ว น, น, นับเป็นเห็นจริงครับ และคำมูเดเยอะนั่เนี่ยได้ช่วยส่งความที่ยากฆ่าในคเขาได้ฆ่ามันนะครับมเมื่อแกรู้จักการพูดสองอย่างนี้นะแกก็เริ่มชีหน้าคงติดนะครับเข้าไปในหานะถ้าบอกว่าจากมีหาสู่วิหารจากบริเวณสู่บริเวณคนจะตามหา า, <c oughs> เ, านนเพาาเนะื่อจะฆนะ่านะครับพรา้ว่าคุณเป็นบุญเนี่ยนะเข้าใจอยนะครับทีนี้ปัญหาที่สู่เหล่านั้นนะที่เห็นแกเข้านะครับที่สู่เหล่าอะไรยังไม่ปฏิบัติจาระฆานะครับ ความกลัวความหวาดเสียวความสยองย่อมมีแก่พิสูจนเหล่านั้นในเวลานั้นส่วนพิสูจเหล่านั้นพระจักมาแล้วแต่พระอนาคามีขึ้นไปใช่ไหเห็นความหมายไหมครับพอเจอแกท่านก็ไม่กลัวครับความกลัวความหวาดเสียวความสยองย่อมมีแก่พิสูจนเหล่านั้นในเวลานั้นนะครับขันธ์คลาดิกะสมณะกุต์นี่องจิตพิสูจเสียมะหนึ่งรูปบ้านหนึ่งมาสอรูปบ้านหามรูปบ้านเรื่อยๆนะ 4 5 6้าหนเจ็ไป้าสิบนะครับหรือยี 24, 3, 4, 5, 10, 6, 10่สิบสามหงสีห้าสิบกสิรูปว้านเอหกห้ารูปนี้ถามว่าทำไมที่สุดสีได้ค่าโดยตายนะรหรือว่าแจ้งให้นามีิ่งั้นมีขันธ์จิกรรสมณะกลุ่มยุทธ่านะถ้าตราแก้ไว้ได้ต้หานะครั บ, ค, รบคือที่คร อ, องสองคะแนนศุภะกรสมฐานเนี่ยให้ยี่งเวี่ฟังนะก้องก้องรู้นะครับ ว่าเองีิสุจน์พวกนี้นะที่ก้มาข้ามเกยนการนี้นะครับกพราะกรรมสเข้านะของเราไม่งั้นอยู่ทายแน่นะท่านก็เล่ามากี่สู่นประมาณของสี่ลูกเน่เด็นขาดนะครับเป็นในทางนะในทางาหมาล่าต่างๆก็ต้องถมลูกถมเนื้อนะเข้าไว้ในภูเขาล้อมไว้นะแล้วก็ข้านะข้ามแล้ข้าเรื่อเลี้ยงขี้นะจนสลอดชีวิตเลยไอ้ตอนทาก็สนุกนะในทางหรื่องกัวกนะครับ ได้เยื่อนะทีนี้ปอตายก็ไปตกนรมือนกันครับออนาดเลยทีนี้พอตกนรกเส็จนะก็ขึ้นมาไอ้ตอนที่ตกนรกเรื่องหน้าของเลยนะอะไรเขายกเก่นไหที่ผลข้าะนี้ปัจฉุปัตตัช่างเป็นวิยกรรมนะครับตัวนั้นให้ผลไปแล้วนะครับนี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าการกตัวหนึ่งที่ใช้ผลตัแต่ข้างที่สามไนะครับปราปลาปราปราเิยากรรมเนี่ย ไม่อายากติดตาเนไครับเาไม่หมดนะหมดนครับถึอว่าเป็นมนุษย์แล้ ว, ว, ลวกะะเกาคน้นก็ติดตาเห็นนเ น, นี่ยจะเป็นยวพินเรื่องตายนะครับนี่ก็จะต้องใช้แน่ครับทีนี้ถ้าวัานนี้ไปบุหรี่นเื่อาแล้วก็ตายไปน่ยคติ จ, ะ, ะ, จะไม่แน่นอนนะครับอาจจะปบานต่ออ่างก็้นะแต่เมื่อพิสนื่ อ, อนี้ได้ฟังคือควา ม, ขขมาคุณฐานที่ทดงกดแล้วนะครับแลวก็จรตญองตายนะก็เริ่มที่เพิ่นะครั ที่พอมีท่เพิ่มอตายไปก็แห่ไปเกิดในสัตว์เนี่ยเพราะงั้นที่เหลือนะที่ก่อนมีธาตขันธ์ป่าอาว่าที่ยังไปถึงคนอยู่นะครับก็ไปสุกติสนนี่นะฟองจรู้นะครับการที่คองจงเน้นไปที่อื่นนีก็ฟองฟองฟองฟองขึ้นมาคือถึงพวกฟองอยู่ไปก็เชื่ออะไรที่ส่วนี้ไม่ได้แล้วคมาฟังแต่าพวกนี้นะครับ จะมีมที่สุมาตรากือว่มันนี้นะตายกันได้หนึ่น 1, 2, 3, 6, งลูกสองลูกสามลูกนะครับซึ่งเป็นฐานย่อยประยออะไรนะก็เลยเน้นไปประมาณครึ้นเดือนนะั้นย่าง น, นครับทีนี้จะบอกว่าครั้งล่วงเกินเดือนนั้นผู้ทัพอา้าศเสร็จออกจากที่บัตเตอร์บิเลยแล้วเร า, า, า, าสั่งถามท่านพระอาหนท์วมากลับมาเม้่อไหอ่กลมา รูเาอานนท์เหตนัยน้อพิสุสงจึงดูเหมือน้อยกว่าข้ามันก็เลยแตกภูมิมากนะก็ครบคลองทรงแดงสุภาพกับอาสิบข้ากับฐานะ่าัๆทรงพนาคุณแห่งคือข้าสมาฐานทรงสนับเสริมคุณแห่อการแสดงสุภาพสมาฐานทรงพนาคุณแห่งกสุภาพสมาบัติเนื่องเดือนแห่กปิยการดิสทัศนมเป็นเจ้าข้า ได้มปสุหลังน้นมฟังแล้วใช่ไหมก็ออกไปพูดกับิี่บ้านตามครับจนเกิดความวิติให้สิสติเยนเกียรติช้างร่างกายนี้แล้วก็มีการขั้นขั้นีาครับคือก็เล่ฟังว่าข้อนี้แหละแล้วก็พูดว่าข้าพ้าพุทธเจ้าขอวัชชาเร้วโรกาสที่สิ่งสงนี้จะคพน่มดำรงอยู่ในผ้าตะพนด้วยปริยายดของหลงพ่เจ้าจงต่างบอกปริยาอื่นนั้นเหิดเพื่อเจ้าข้า แล้วต่อจากนั้นะงคก็ได้ฝ้าหนุรประชุมสนะประชุมแล้วกวงก็แสดงขณะประสติรรมานเมื่อกแกนละานประสติกรรมฐานเสร็จแล้วก็ประชุสองกองสอบถามวุ่เกิดขึ้นแลวก็มายศหาหลวงขมาอันนี้ครั้งแรกนะถ้ามายจหาหลวงนะครับเหยี่ยวที่สี่ของเกียนบุญเลยทีนี้ต่อมาก็มีเรื่องวุ่นเกิดขึ้นครับ คือข้อบัญญัติขั้งแรกมีแค่นี้ก่อนนว่าอันหนึ่งที่สุดัยจงใจข่าการมนุษจากชีวิตหรือแสวงหาสัตราอันจะปลิดชีวิตให้แก่การมนุษย์นนะั้นละที่นี้ก็เป็นประลาดซึ่งหากำว่าไม่ยากเดียกเดียร์นะทีนี้ก็โดยสมัยนันแหลงการตามต่อม า, นะาครบก็มีการสมทบเป็นไข่โผลนะภรรยาของแกนะเป็นคนที่สวยครับหน้าอาูุหน้าชม ทีนี้พวกพวกพระชาวตะวันทีนะครับก็มีจิตประสิทธภาพรักไข่นะในภรรยาของบาศก์คนนี้นะครับก็เลยคิดเอาวว่าถ้าบาศก์นยังมีชีวิตอยู่พวกเราจะไม่ได้นะทิ้งทั่วไปนะที่ฉะนั้นพวกเราจะพนานเหนือความตายแก่บาศส์นั้นครั้นต้มเใช้นี้แล้วจึงเข้าไปหาบาศก์นั้นกล่าวี้ว่าดูขอดูบาศก ก็คือจะกามพนาคุณความตายนะให้บาสศคำดเวยข้างกันนะครับท่านกันพู้ทำความดีไว้แล้วทำามศรัทไว้แล้วทำความพลาดทานอำความขดไว้แล้วทีไไทไ่ได้ทำความบาปที่ได้ทำความขั่วทีไ่ได้ทำความเสียหายความแต่งความนี้ไม่ได้ทาบาปจะประโยชน์อะไรแกร่ท่านด้วยสีวิตอันแสนปายากแท้นี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ตายจะกโลกนี้แล้วเร่องหน้าแตกกายก็ก า, ายแตก ถ้าในข้อยู่สุตติโลกสวรรค์จะได้รับบัลลังก์เพียบพร้อมอีกเพื่อเป็นสังกามุขเดิมเป็นิในสุตติโลกสวรรนะค์นั้นนะครับครั้นนะอุบาลศนะพอฟังนะครับถ้าจัก็พีผู่แล้วก็เห็นพีตายนะครับเห็นพนตายแล้วเลยว่าเสือเล่ทำาดีไระแลนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับว่าถ้าตายไปถ้าถึงสติโลกสวรรค์นะจะเพียบพร้อมด้วยการมุณเป็นพิน่นองนะครับ ทีนี really no es, no es ges, no ้แกก็เลยนะครับทำมประกนที่จะให้ตัวเองตายก็คือเขาจึงรับประทานโปดน่าที่แสลงป่วยหน้ามียวตายไว้ครับก็เลยกินอาหรที่แสลงเคี้ยวนะครับของเคี้ยวี่สแสลงลิ้นของคนลิ้นที่แสลงหน้าปลายน้าที่แสลงนะมื่อกินแตของแสลงช่นนี้นะครัอาการปวดก็หนักขึ้นหนักขึ้นนะจนแกก็เลยตัดนะรับข้อความปลูกนะข้อวินของแสลงนะ น้สัยรังก้าพอสารมีก็าตายแน่นะครับก็เลยเพ่งโทษเลยนะพอรู้ว่าเพราะว่าพระสกุีเนี่ยมาภานาจนความตายก่อนนะสามี้กเ็เลยคำือนมีจนตายเขาก็เลยเพ่งโทเยเรียมโฆษณาเขาว่าลมเลยเขาว่าหนักเลยว่าพรนะนะสมณกเชษฐส า, ส า, าสรพระศรบุญเหล่านี้เป็นผู้ไมไไ่ลายผู้เสียนะพูดแทด น, นะะี แท้จิงพุสัมมนาหเหล่านี้ยัปจิญาณตนว่าจะเป็นผู้พึงอรมจันต์หอผูสมบัติอู้พึ่งพรยจันตกความจ ะ, ม, ะ ม, จาาจมีเสียงดเริญธรรมแล้วก็ติดเตียงรยูกางตาๆนะเตียงอยู่เบียร์นะครับแล้ว ก, ก็สื่อกกว่าถ้าสมมนาหเหล่านี้ น, นั่นตปลงเป็นความตาแก่สามีของเราสามีของเราถูกพสัมมนาหเหล่านี้ความตาแล้แม้คนอื่นที่รู้ข่าวข้ามนะก็ติดเตียัน สี่ปีอันนั้นอย่างที่นาติดเตียงเี่อกี้นะครับนี้มิสุดทุกหมายที่มีคนหลังนั้นเพ่งเข้าดิเตียนปรนนายอยู่จะพูดไ้เป็นทุ่มความมากมายสันโดษนะครับแต่ก็เพงเข้าดเตียนรนนานับว่าช่วยก็จะพักทีจึงได้ปรนนายเพ่ความใแเต็มวานสำเร็จผู้ของก็ประชุของคงขอหาติดเตียนก็จะพัทีแล้วก็มายันสิงานตรนี้ขึ้นมาอนุู้นมายันนะอันยู้นมายัาดี ประมาณนี้บางอย่างจะมีคำนิพพานขึ้นมาหรือพนาคุณเนี่ความตายเนี่ยทางเงื่อนหรือชักชวนเพื่อตายด้วยข้อคําว่าแน่นายผู้เป็นชายจะประโยกน์อะไรแท่ท่านด้วยชีวิตมันแสนลมาดแงแค่นี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้ถ้ามีจิตอย่างนี้มีาจอย่างนี้มีความประสงมากมีความหมายหลายอย่างอย่างนี้พนาคุณนี่ยความตายก็มีชักชวเพื่อตายก็าดีดูหลายไง แต่ิสุจนี้ก็าเป็นภาระชื่นหนาสั้นไม่น่าะเป็นแต่แนบัตเข้าขึ้นมาครับนี้พิสูจน์เฉีานะที่แปลที่คำวิจัยติดการการต้นขยายติการบนนี้ก็ในข้อท่าของสี่ลูกนะความจริงห้าห้าห้าเป็นต่นะครับถ้าห่าตัวต่างเวลาแบไหนไม่เป็นภาระชื่หนาอาจถูกกดทุกคนถ้าเจิแทนขึ้นกดเพิ่มครับ ยังอ่านมาไหมอะปีมะปีมะดูนีานตู้ไมยอะเลนะนี่งนตู้เนี่ยมีน่าสองรอยสองร้อยห้าสิบห้าสิบสิบสองร้อยสิบ้าสิบห้าสิบยันยัที่สองแค่กิจการกับผูครองยันที่ะจัวผกุศละ มไม่คืวัตถประกอบนะครับ่ารการแต่ว่าค่าคำานและการน้ยงเนี่ยกคได้นึ่งได้ตัดตัดอะไรมากสเนี้ยเป็นวัตถรอนะครับแต่ว่าถ้าคา่าทงอื่เ น, น, ขข น, นี่นนยไปปลาชิ้นที่เราในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีที่ค่ารการก็มีนะที่ยังการรายการที่ค่ามันมีใช่ไหครับอันนั้นก็ค่าอื่นนะ และก็แค่คนข้างต้นนะครับทีนนะพอนั้นที่อยู่กถึงลูกบอนั้นก็เป็นต้นบางอย่างนะครับแต่ก้อตะกีานีไม่ใช่ถือว่าต้นบางอย่าง้นะพราะคงบานอย่างมาแล้วนะครับก้อะตะกี้อย่านี้ก็ถือว่าเป็นกระไรสุครับอ่ทำไมตะี้มาชิดไหล่ก็ไหล่ตานะครับคือใจพวกนั้นนะแต่พวกนั้นเร็นกระไรสุดกระไรสุแ้นะครับแต่ลูกน้องแกนมคันลูกนนั่น ก็ลงเรียกพระสมุทรีครับผมผมจดเอาไว้อยู่ที่สุข้าตเดือนการต้องมาผู้กดถ้าฆาตเดือนการต้องมาผู้กลนะใช้คืขฆาตตัวเองก็เป็นผู้ผลิตกันขะงเราแต่ด The, ้าฆามหนึ่งคือเป็นพาลานซ์นะเพราะถ้าฆาตเดืันการนี่ไงนะผมอยากปัติดด้วยอยากนัดติดด้วยผูนะไปกัแค่นั้ ไปครับที่แรกต้นมาจากเราแรกนะครับต่อไปก็กลับาไปนระรคือสรางอิหารในปราชิ้ข้อที่สามลงไปซึ่งก็จะที่มาที่ละข้อนะอีิมาโดยที่ละที่ลก็ไม่มีข้อถึงนะครับคาว่าสันติจารย์นะที่แปลว่าจงใจนะโจงใจนะครับข้าอะไรนะ ฆ่ากายรู้จักชีวิตนะี้น จ, จ, จิตจักจองใจมาแต่ว่าแกล้งนะคนจองใจนะนะนจจนะต้องแปลว่าจองใจ ค, นะคือจงใจพร้อมขยายความว่าคิดคือกําหนดด้วยเจตนาที่จะฆ่าว่าจะฆ่าทุนนั้นซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับความสำคัญว่าสัตว์มีชีวิตแกล้ง ค, ความคิดเจตนาให้เข้าใจได้เนะี่ยมัต้องมีความรู้สึกว่าสัตว์นี้มีชีวิตอยู่ต่อใชนะ่ไหม ให้คิดว่าตายแล้วความคิดทะางไม่มีนะมีเพียงควคจะคนรู้ตัวว่ามีชีวิตและมีความคป็นได้ว่ามนุษย์แห่งพิษสังรนะครับที่เรากายเป็นมนุษย์ของเรามนุษย์แห่รมนุษย์หมายถึงร่างกายของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่รับเอาตั้งแต่ครั้งไปตตันนะครับแต่ว่าอะไรก็เติมเต็มท่านที่มาแล้วช่งเลย เอาต้งแต่จิตแรกเกิดขึ้นเลยครับจิตแรกจิตแรกเกิดขึ้นคือปฐมวิญาณนะวิญาณดวงแรกมันเกิดขึ้นเปรากฏขึ้นในท้องแหมาราจากเข้าสุกการเป็นที่ตาอัปปะฆในระหว่างนี้ชั่วตาตั้งแต่เกิดคร้งแรกครับเป็น้นที่จรงมาเลยเนี่ยเที่ยวมาไม่รู้ครับนแหละคำว่าที่อาโปา ที่แปลว่าคืนกองจากชีวิตนะกองจากชีวิตนะครับความว่าทางพี่ยังเป็นกาละเป็นแม่ไม่มีนะครับ้อทำการฆ่าด้วยการหน้าให้ร้อยนะรอ้แก้ร้อนใช่ไหมเาแย่งไฟหน้าให้รอนเขาแก้ใช่ไหมครับให้หนอ่งสีหน้าให้ไปด้วยการหน้าที่ร้อนรถไฟไม่มีเขาแย่งเขาทิ้งไฟไฟหนอาให้ร้อน น่ทีน้อนะครับก็ของน้องใช่ไหมแล้วแนไปที่ท้องนคราผีตายหรือไอ้ที่แย่ไม่แยอ้ที่อยู่ในท้องนะครับแน่ที่น้องแน่ที่น้องใชท้องน้องเะไนะเด็กที่อในท้องที่เป็นน้ากางง่ายนีเป็นเด็กราเป็นน้ามีได้ให้ไดายนะครับแล้วก็รีดนะครับหรือว่ารีดนะรีท้องนะครับแทงเลยหรือว่าสั่ยาให้เพื่อให้แทงเนี่ยนะก็จะเป็นระวังนะครั ตอนนี้ในในที่นีแต่ว่าถูจะมีเพรเรื่องกันขึ้นและลงเรื่การนะจะไม่มีความถูจะมีเรื่องพุทธะที่สุดจะทำยานะให้พบท้องแท้แล้วก็เป็นปาญิตพอเกิดตัวปวานั้นไปก็ทำการฆ่าเรื่องความพยายามที่จะให้ทารได้เพื่อให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นคือร้างถึงภานะปานาติมาปานาุปารี และความพยยามถึงตายมาเพื่อเพื่อคุบาย์เพราะว่ายังฆ่ากายรู้จากชีวิตนั่นคือฆ่านะครับฆ้าบรรลุเนี่ยแต่ฆ้ายิ่งไม่ตายนะต้องมาฆ่าควาหมายคำสิ่งนี้ก่อนต้อตายหน้านะตายหน้าที่นี้มันไเรื่องหมายถึงแปลว่าน้ำะตายหน้าละเงครับถ้าไปก้นน้ำตายหน้าตาหน้าลมนี้ไอ้ตายหน้านี้พวกก็สัตว์ตายมีลมมาเยี่ยครับ กาปาทำมลภะนะรืเราดูคำพิมมาก็ได้พิมพ์มาบรงยางบาราคำเหล่านั้นนะคราปานะโดยว่าหาหมายถึงสั่งนะครับก็แปลว่าสัดูานตักขึลหายใจทำานนะหมถึงสั่งนะครับถ้าว่าเป็นปรัมมันหมายถึงชืวิตจริงสิหมายถึงชีวิตจริงสิเนี่ยคืออะไร รูปธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดจากกรรมของเราแต่เมื่อแต่สมัยนู้นเราปฏิสต์ที่มันครั้งแรกนะครับ แ, แล้วเกิดสืบต่อมาเรื่อยนะเพราะว่ามีชีวิตเป็นสีตัวนี้ของเชีวิตของมนุษย์แล้าร่างตาของเรายึงไปอยู่ได้เาิด ไ, ได้เรื่อยๆไม่เล่าเไม่มเสียไปนะถ้าชีวิตเป็นสีตัวนี้มันหมดไปทำไมเราถึงอยู่เพราะการที่วิญญีณขาดายไปนะเราก็อยู่ไม่ได้ ก็การที่สร้างศพนะไอ้ร่างกายยุบกระทำนี่นะตัวก็จะเน่าหงอสียนะพอไม่มีควิตชีตัวนี้ชรวิตีวิัวนีมันจะเป็นตัวที่บริบาณ์อัวานนะครับตามรักษาที่เกิดมาจากกรรมนะที่เกิดพร้อมตมนบให้ตั้งอยู่แล้วก็ไปไปหน้าเนี่ยมีลักษณะแล้วก็หลับเป็นพร้อมกันตอนเดินเขาให้กางพอไม่น่า่สูงนพอตุณนี้ตามรวาม้างทัเนี่ย เพื่อน้วไมถเร่งร่วเหมนกันไม่ได้ก็นไม่ได้ยืนไม่ได้ผมังและหายง่วงด้รอดมานานไปเรียนว่างนน่งเดีอยวนี้ยืเต็มเตงได้้นะครับเอไปเข้าไปนานกี่บา ปานสิบบาทหมายถึงเราไอ้ถ้าการสังปานตัดชีวิตนะไม่ปานอัตาปานตัดนะครับการยังสั่งชีวิตมีชีวิให้ต๋รงลูกนะยังสังมีชีวิตให้ต๋ร่วมกก็เรื่องของการฆ่าสัตวอย่างนี้นะหมายถึงเจตนาครับที่เป็นเหตุให้เกิดความพยายามในการฆ่าสัตว์หรือว่าการยังสั่งมีชีวิตให้ต๋องลูกนะอะไรเปตัวที่ทำให้สำเร็จอย่างนี้นะครับ ผู้ตัวจิตนาที่เป็นเหตุให้เกิดความพยายาทมทำการทวาจาแล้วก็สามารถยักษาชีวิตให้ต่อรู้คุ้มค่าได้ของเาหมายถึงจตนาครับแล้วก็ปาาจิปานหมายถึงบุคคลนะครับบุคคลผู้มีจิตนาจะฆ่านยนี่คือาจะทาอะไรนะปานาปานาจิบัานาาการฆ่าศัตรูนังนะหมายถึงวจิตนาในก า, าราั เพราะว่าส่วนทุ่ให้เฉลยแต่การฆ่าได้ตรงนั้นคือเจตนาแล้วก็ปาปาตีรองเทานิดียวหมายถึงคนผู้มีเจตนาแล้วอันที่สี่นะครับความพยานามแห่งปานสมาัติหมายถึงความพยายาในการข่าสัตวกวิธีคือโอ้สบายหน่อยหวิธีแรกที่แรกคือยี่สิบห้าข้อห้าใบเลย น yeah, like kind of ี่ค่หงแบบนะมาปมาครับนี้มันเรื่อยๆนี่อะไระเนี่ยนี่เป็นองก้อยจงเเนี่ยความแกยานี่นะครับอุปการะการฆ่าครับมีหกวิธีคือหนึ่งการฆ่าไม่ตนเองเดี๋ยวท่านจะที่บางาวหล่อนะครับถ้าไม่เองก็ไม่ไม่ยากหรอกด้วการที่ยืมของนั่ตายเขาแล้วแต่เนาะอะไคุกตีใช่ไมให้เขาตายเมีขอให้ตายไม่ได้ใช่ไ แต่ยแล้พอเด็กหรือว่าเอามีอแทนเอาค้อนทุบทุบอะไรก็ได้เาไ่เเรื่องสองการข่าหรือางคว้าไตรงนี้ไม่ได้คว้าไเดียวนะข้าตามหลักว่าข้าด้วการซักอาฝัธปืนด้วยการปล่อยอาวุธปืนนะเป็นการใช้คนมือรันมือจีไปนะใช้ของใช้หนาุึ้นหรือว่าเอาปืนจีนตัวนี้นะอาวุธที่มีการสร้างไ ก no. ja ็มีในคนคนนั้นนครับ้การสร้างางลูและก็สามการฆ่าด้วยการสั่งนะครับฆ่าด้วการสั่งเนี่ยก็าช้สำเร็จในอด้ถอมาฆ่าด้การสั่งสั่ก็มีนลาแบบนะครับยืนสั่งได้ไหนก็ได้นะสร้จงกระจจงไม่จอจงถ้าสร้างกระจจงใครก็ต้องตงคนนั้นใช่ไหมครับถ้าคนอื่นตายก็ไม่เป็นนย ถ้าคนอื่นที่เราไม่ได้จอดรงตายนคนสั่งไม่เป็นแต่คนข้างเป็น อ, อยู่แล้วบป็นอยู่แล้วนะไม่พ้นนะครับเหุการณ์สั่งเปนอยงนี้ครับที่ก็จะมีสั่งเล้ยืนสั่งไ้ป้านะครับร แ, นะร แ, นะแล้วก็สังงนะส่งจับจรงอยนี้นะหรือว่าสั่งหจับจองก็นี้มีความชุ่มชื้นแน่นะแล้วก็สีการฆ่าด้วยกับหนักครับอีกการทำผ่าน ทำาฟ้าสล ROS ่มนะครับรอบไปนักนนะใช้หมีอหลายอย่างนี่กันวันนี้ก็ถึงการทุนมจอดจอดไม่จอดตรงนยถ้าไม่จอดตรงเลยนะใครก็แล้วแต่ขอให้มันตายก็แล้วกันต่อมไปหลุดพานนะครับหรือถูกฟ้าถล่มที่เราทำนะฟ <energy> ้าถล่มไปยังไงครับช่วยขึ้นมาใครมฟังนี้นครับคือ ฟ้า่าลมในก้องเครื่องบินมันจะมีท่อนไม้หรืออะไรอย่างเงนะี้ยขึ้นมาผี้นะครับและข้างล่างก็จะมีไเป็นเชือกหรอะไร น, นะครับให้ความก้อออกมะี่าไทยเข้ามาไถล น, นะมาเตะมาลอใส่ตัวนี้ด้วยนครับข้างบนก็จะตอลหมาเนาะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ทำอะไรือใครเจ <c oughs> เอที่เขใช้จากนะอันน่้ น, ะ น, นอ๋อน้นา เขาเริ่มแบนก็แตกเลยตึับปวดนะครับหนักมากเลนเรื่องมันนักมากเลยมันมันติดกับการเดียกันเลยนะครัี่เงาหุ่นทเนี่ยเหนือนะไอ้ไม่รู้ใครไปรงตรงนั้นเ่านะนี่ไม่พิสนะครับถ้าถ้าเจาะตรงนะถ้าผมเราตรงตายเนื่ยเป็นพารที่ถ้าไม่ได้สอดตรงใครก็แต่นะครับถ้าเรนฟ้องคุณแม่ไปตรงขหนักหรื้าตายนะ ก็เป็นเร่การทุ่มเงนนะครับเพื่อจับคนปนัดนะครับแล้วถ้าการฆ่าอยู่ใช้เวกมนนะเรทมนตร์พะนคมนหรือถ้าย่านก็จะพูดถึงนะครับมีผู้หมออาสานีครับสามารถได้เวมนต์นะให้เกิดโรคัข้เจ็นครับปวดหัวปวด้องปวดไส้ยื่สมานนะทายอะไรเยทูใสต่กปูนกอท้องนะครับเสกมควายกอดท้องนะครับตรงตายนะง่าย้ินะครับ ถ้าถ้าตอนนั้นเป็นตายก็เป็นควรเอางั้นเลยถ้าพวกมานพวกมันไล่ตามเจอกังนั่นว่ามาครับแล้วก็ไปเจอโยมคนหนึ่งนะก็เลยคุยนะคุยไปมุยมาโยมนั้นก็บอกว่าแกจะไปเรียนวิชาเพวิชาวิชาบีไั้แต่วิชามองถูกเขาเนะครับพอไปเรียแล้วว่าจะู่ใส้คนหนึ่งให้ผัวได้นะ โดยที <ừ. S 1> ่เราใช้โมวดลให้ไปนะครับแล้วก็ทาอะไรต่างๆเราเนี่ยระวัตการดีไซน์ดีให้ปวดประมาณจะหนึ่งตายนะใช้ลดวมร้อนี่น่ามีน่าเสแล้วก็ผมเอาการฆ่าด้ริบนะครับที่นี้หรึไม่ได้หมายเอาอาพิยาฤทธิ์ของพิยาเขาไม่ได้นะครับถ้าใช้พิยาทธิเขาไม่ได้หมายถึง ฤทิี่เกิดาจากคนเห็นกรรมเานั้นเงทิี่เข้าหน้านแต่เกิดใช่มเกิดาจากคนเ็กรรมที่าความไว้นะครับอย่างนี้ของพวกธรรดาอย่างนี้ของพวกหน้าพุกคุนะหรือว่าแม้ว่าแม้ว่ามนุษย์เรทั้งพวกนะเห็นที่พระเจ้าชาวพาม่างนี้ทก็มีฤิใ่มอานีรขอเกระหน้าหนึงนัระาชาอนี้ะครับนะหรือว่าพรอาจารในสมัยกอนมากพระอ เขาบว่าถึนพระราชาในในในเกาะถึงผลความเจ็บถึงอการถึงในกนงสามารถฆ่าคนหด้ดีหรือมการตอกเที่ยวนะครับตอกเที่ยวเนี่ยก็ทำให้คนตายได้หรือแม่เล็กของอะไรเท้าแว่สวรรณหรเทาแว่นสวรรนะ้นท่ามีมีนตาเป็นเล็กน สมัยก่อนที่เป mm ็นข้อสวดารบันะตอนนั้นมีการฆ่าคนันเราเวลาไม่พอใจน้องตัวเองเพื่อนก็มองรุน้องทำโขกเราแล้วก็เขาได้ตายแนี่นะดีานีการใช้ใช้ดีใหม่ของหนึ่งทำอย่างนี้เหรือของพวกพยานะาหาก็เหมือนกันนะครับพยานหน้าเป็นอย่างที่เราเคยฟังเพื่อนในชาดงของเราแค่มองดูนักเ้ามองด้อยัวามโขกเรา ทาไม่สามปุ mm. uniform, ๋แต mm. ่เป็นตูไมได้กันนี่ก็นี่เจะ่้เข้าหน้าเรื่องแต่เคยเพื่อนนั่นจะวิบากสงครามถ้ากินยาไม่นามารถฆ่าคนได้นะเพราะอะไรมิชาดใชหม้ยใช้ไม่เปิดกินญา่าคนไม่ได้หอกิชาเดียที่ทาอะไรใช่ไมทไมไม่มานไม่ไ้ไม่ได้ห มันเป็นคือขนนะไม่ใช่ปัญญาปัญญากิดมาโดยส่วนตัวจริงแต่ปัญญาจริงไม่ได้เกิดตลอดเท่านั้นตอนนี้ข้าวหไปข้าอะไรไปเนี่ยข้าวนาวจรจิตธรมดาใช่นหครับข้าวขาวปัญญาถ้าว่าตอนแรกะตอนแรกนะที่บริการเข้าวชาเขนแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมานะครับแล้วก่อนห่้า้เป็นการเป็นหะแต่นั้นทางนี้ยังมีอยู่นิดเดยวเรื่องแบบน้ำมันซ้อมจะปัญไห ทำไมข้าไม่ได้กพิญญาเกิดในคณะที่เดียวกลางกางดไปแล้วทำแบบนี้ข้ามีอยู่ใช่ไหมตอนนั้นก็มีที่องเหมือนกันแต่อารมณ์รมจากนั้นอารมณ์นั้นเป็นยังีงอารมณ์เป็นการในตับก็ลา็นอารมณ์พวกดามีอยู่ที่ว่าทำไมข้าก่อนแล้วไม่ได้เออขาดขาดกับเสียงขาดก็บเสียงแค่แค่แค่เสีย ก็แค่หไปแล้ไมยุดน้ำขึนหนุเท่าไหร่เงี้ยนะยังโตขึ้อกเลขึ้นนะครับอันนี้ถ้ากัดจิ๋งยาในขนะมันจะฆ่าคนอก็ต้องเสื่อมขึ้นนะอันนี้ก็ต้องเสื่อมแล้วทำลงไปไม่ได้นะครับก็่าคนไม่ได้แ้วท่านบอกว่าจุยาเป็นกุนะครับแต่ว่ามายปีใหม่เป็นกุศอยังคง่หรือไงขึ้นเลยนะมันจดูเป็นผ้่นะ คุณบอกผมว่า s t จะไปไหนดี